ปฏิบัติธรรมเคนที่นนองม่อปฏิบัติธรรมเราจมีการเรียารสึกาควรจะตื่นการานปรับการิบัติธรรมต้องเรียนรำแข่กวันเวลาม่อย่างนั้อนอต้ไปเชีวเยวไปตากแลกในการศา เป็นระยะเวลาที่มีการงานส่วนอื่นเกี่ยวข้อง้าวบ้านด้วยเป็นใหญ่โตไม่พบเจอนิมนต์ในการงาน้านอื่นเสียงไม่มีบ้านส่วนส่วนลบกควรเราออกไปสาวยแล้ว คนนั่งทำบุญอุปติคนนี้ทำบุญงั้คนนัทำบุญนี้เสียงเชื่องมัสลบควรฉะนั้นเวลาเงียบสงบจะมีทางอื่นลบควรรอต้องเรียร์ควาเพีทางจุดทางใจกคร ที่ผ่านมาเป็ อ, อย่างไรทันตานี้เป็นอย่างไรแบบอะไรวิศว์คุณตรงติดต่อบิสเนสเหลตาดูตัวของตัวในอย่างนั้นการพูดปฏิบัติเรจะนอนใจเนีเนี่น่เป็นอะไรเราจะเกิดกางดือนาวัดในว่าในตารเป็นาเป็นเมรในตานเป็นอยู่ และวไปจดด้วยสวนปี น, นไปสู่ายตามสายสื่อเพราะเลยปีนในมือปีเกาที่อาศัยในธรรมก็ไปเาะปอาศัยในโลกใเมืองโอกาสอันเิาย ง, งเราใไยเน่นต่ทมันเด่านสิ้นด่ใหนีนทนนนทน้ที่กาะทีอาศัยอยูัเตือน ทุกคนต้องเรียนจะทําบำเพ็ญแบบจะเห็นแก่การหลักการ น, นอนการเล่นการเชิน ต, ต่างๆการมาปฏิบัติทุกคนตัวมุ่งว่าจะมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติจะไดแก่ไหมเป็นอย่างไรต่อทีนี้ที่จะรายงานในหน่วเวลาเราอยู่ที่อี่ เรามาดีนี้มีความดีของส่วอย่างไรของส่วนตาดูาเราไม่ดูไมรู้ว่าขาดจริงจริำไรอย่างไร ไ, ได้เสียอย่างไรยังจะอยู่สืบบันสืบซึนกันไปเท่านั้นความดีอันใดเลยเจอชิ่กับใจกับใจกับร่างใจเน่าบัน เวลาแฉะเข้าหอบไปหัวไจวัวเป็นของแม่แนนอนแม่าวอยาจะมากอเกี่ยว <c oughs> ทำให้ร่างกายป่วยไข้เหนื่อยมีความายถึงนือนใจไหลมาทุกระยะทุกเวลาทั้งหลับทั้งตื่นมาเกิดเกิดเกิเกิเรื่องทีกความแฉ่มันต่อให้นอนละความใจกะตามมาทุกระยะเวลาฉะนั้นการ จีแงนาเหวี่นนว ย, ยงแฉะใส่เดี๋ยวจิตใจจิติดฟ้องจิตใจทีวุ่นวายจเป็นหนาสีของเราจิตเปชัวรโลกาำตันอย่างรีด่วนให้เห็นให้เป็ใ น, ในให้ในใน่าให้ถึในในิตเหี่เราองตาเราเน หรือไม่ทำทำดีเด่นส่วนที่เรางการก็จะม่เห็นมนส่วนที่การจะ่ทำเป็นเครื่องที่ทำที่ทัใจของเราในส่วนทิ่เดือบบานเพราะการทำของตัวอาจะทำลงไปวันนี้เดือบทำอย่างนั้นวันนี้เอำอย่างนี้ที่เป็น เป็นความดีเป็นขวัตปฏิบัติเป็นทางกําจัดกัจเจ้าอย่างที่เหตุปัญหาจิตใจยังไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของการแต่ําเรามีเราไม่เลยวันเวลาให้หมดไปเปล่าแค่คิดถึงขวัตปฏิบัติที่ตัวได้แต่ทําเท่านั้นจิตใจมันมีความเยือดเหย็น เหมือนกันก <ind> ับพวกี่เขาทไรทสวนเขาปลูกเขาฝงเอาไว้ถงืผลจะยังไม่ตกดอกออกให้ก็ยังมีใจกในไรในนาของเราดอกอกผลให้วันใดวันหนึ่งมีคนที่ตี่เรงแต่ทำบําเพียางจิตใจตรงเหมือนกันจิการจะทำท่งนมีความ ซึ่ซเบิกบานในจิตในใจเพราะในเดื่ตำหน่ตัวในเรนอมตัวชั่วอะเสียต่างๆานที่จะทำบาเพ็ญนอกจากนั้นคนที่จะทำบาเพ็ญหน้านภาวนาขอวัปฏิบัติต่างๆถึงจะจะอยู่ในสถานที่ใดครูอาจารย์อย่ามีความรักใครเย็ยนดูสงสารถึงจะม่เป็น ดีเด่นทางจิตทางใจก็เอาใจใส่อยู่มวันใดวันหนึ่งจะต้องได้ต้องชี้ยังงามคว า, า, ามดีมีสุูอยากจะเคาะเล็งตาแนะนำจำสอนหากาเร า, ามีแต่เด่นจะเพินแต่กินแต่นอนทำความผาดความเพียนอะไรอย่างนั้นหนักใจไม่อยากจะเน้นจะสอน แนวสอนไปสอนมองเห็นทำอะไรให้คนที่สอนอดข้อใจเราทุกคน <c oughs> ที่ม่งมาแต่จีบัด้องทุกคนอดทนตามภาตามเตียนจิต ใ, ใจของเราสหาหัคิดรมพิจนารณาทำ แล้วฝึกตายรายจายทั้งคนตามที่ตะทำผู้คร์อาจารย์แม่สอนจิตใจก็งใครจะมีความสงบมีความสบายไปแล้วก็ทำปรุงคิดคิดข้อในสิ่งที่เคยปรุงไปคิดใปติดไปข้อก่อนหนาวันจะละถอนสมที่เคย ทำเพียงสี่เพื่อทำบำเพ็ญเป็นขอวัญตายตัวถึงวันทึงเวลาในกองในบังคับบัญชาทำเองวันได้ขาดในเด็กทำความเพียนการกาหนดเวลาที่สาวไว้ผมมีความเยอะอกเยอใจให้แก่ตัวเองมีคุณดีมีความเพียน เป็นนิสัยมีความเพลียนประจําใจเป็นอย่างนั้นแต่โดยมีการบังคับบัญชาเหมือนแต่บนต้นจะต้องเปลนไปเองการเปียนเนทางที่จะแกไขเป็นตปากต้องันตําหรับตัก้อกนิ้แหกเข่าใจที่มีก ให้ลุล่วงออกไปอ า, าจะมีความเปลียนทางที่จะถึงมุนที่ถูกได้ไม่มีเดี๋นั้นทางศาสนาผู้รู้ทันทีมันจะได้ว่า <c oughs> มีเวชนะที่จะมาเจติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเปลียน ความเพียรตรงในควาเพียออนอะไรทีเพียนและขั้วควาเพียดีเพียนบังคับจิตบังคับใจผูกจูงไปในอยู่ในทางขั่วออกมาคิดมาปรุงหรือมาสงบตัวอยู่ในอัดในธรรมนีเน่เรียกว่าความเพียนะฮะมันผู่มันปรุงอะไร นะทา ง, ทา ต, งตัวฐานสติสรุปตัวความปรุงความปรุงส่งงวนนี้เคยุคย ป, ปรุงมาเป็นเวลาลมนานล้าเห็นพลังความดีอะไรเรกิดขึ้นจากความคิดความปรุงส่วนนี้เราก็หักห่ามวด้ถ้าหากเราไม่มีสิมันปรุงมันกลุงมันคิดมันนึกส่วนตัวส่วนโลกตัว ปล่อยใหมันนึกมันคิดจนมันอิม่มมันพอกับตัวมา ว, ว่าตัวดเดิดตรงตรงตังตวเดนหนังภาวานาะทำอย่างนี้จะปฏิบัติกันทีปีเดือนจิตใจก็เป็นไปเลยนะก็ปล่อยใจลอยการที่เกิดปัญหาหม ใ, ใจวความเพียนสี่จะดำละต่งางความเพียนตรงมีสติประกอบด้วยปัญญาจึงเรกว่าสันเลาธรรม ขณะที่จะตัดเทาเขาตัวจากกายวาใจใจของตัวให้หมดจดได้ดูดีความเปลียนอย่างที่ว่ามานี้นี่แหละผู้ที่จะถึงฝัดถึงที่สุดได้จะทมโลกความสงสารได้ความเปี่ยนห่งสัญญา บา้คนไม่มีเติไม่ีปัญญาไม่ว่าทางโลกทางธรรมเราเป็นไปในดั่เราทั้งหลายก็เคยศึกษาบางคนบางคนเคยศึกษาทางโลกนะพ อ, องควรทางธรรมะเคยศึกษาถึงเจอไหมศึกษาจากสำหรับตำรากรศึกษาจากธรรมชาติหรือศึกษาจาก การระดับรับฟังหลักั้วการศึกษ า, างนั้นการศึกษ า, าหายที่เจรนะิ้นาอะไรมีชั่วมันก็มีคืคผลมีประโยชน์ศึกษาเีื่อป่าวจำได้เชื่อป่าวเสจิต ใ, ใจของเราไม่นจะยิดปฏิบัติฟังก็ม่มีประโยชน์อีกนึงกัน เพราะนั้นการศึกษาการที่จารนาส่วนใดที่เป็นฝายดีจะทำให้เกิดสตดิทำให้เกิดปัญญาทําให้เกิดวิจาริมุตต์บอกคือลงมืแ ต, ตท่ทําบําเพ็ญตารการพิจารณาเห็นว่าเป็นทางที่จะแก้ไขเรื่องความส่วต่งางๆทางพิจารณาอย่างนั้น ยังศึกษามาเปล่าก็มีคุณค่ า, า, าอะไรประโยชน์อะไรมีโอกาสเวลาที่กินทุกอย่างอํานวยให้เป็นการเป็นสมัยที่จะปฏิบัติคุดว่าเรียนทุกท่านในต่างหน้าต่างๆาปฏิบปฏิบัติแต่วันแต่เวลาเอาคุณค่าสารประโยชน์จากชีวิตให้ได้ ความแก่ความตายมาถึงก่อนความแก่ความตายมาถึงจะบุญเพ่อไปไเไดีเ๋ยวนี้แก่มากจะเดินลงโซนตัเลยได้นังนน่งเพราะว่นานๆตัเลยได้ความหนักเหน่อยรางกาจะคิดจะพุ่งไปต่างๆเอาความแก่มาเป็นโลบังหน้าทำความแกยนในได้เหมือนเด็ก มันยังหนุม่มมันพิเศษมันมีเรื่องเลี่ยมหลายอย่างที่จะหลอลกวงเวลาหนุม่มเวลาสาวเวลากำลังลังคายังแข็งแรงอยู่บอกเลยคอยจัทำทำงานความดีโยนไปให้แกเที่ยก่อนจึงจ ะ, ท, จะทำเมื่อแก่แล้วก็ไปอีกแบบ มีเงาแก่ตัวของผีเหนือตันหาทุกคนยอดเป็นอย่างนี้เหตุนั้นจึงเตียนเอาไว้อยี่ยที่อันใดที่เราส่งสารเราทำศาสนาในอันวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นการดีในการสง่สงไปทางหน้า ตอนนั้นเจ้าปอดยังมีเจ้าปอดได้ยังมีเห็นเยนี้ทำยัาางพอตายเป็นของในแหนนอนขามาที้เข่าชี้แนจใจทำอะไรก็ไม่ได้คนตายขาดิา้ณชาคนเลาถ้าหักไม่มีสติปัญญาเป็นผู้ประมาทางศ า, นานสนาสติเราคนตาย ตนี่นมีราาอะไรมีเอูปหลาตางตัวมีแหวนใสดดาเหมือนตุกตารคาราจากตัวไม่มีตนไ้มีคุณภาพดีแต่มีติดมีแหวสองสัยมีติดมีใจหยาดเย็นอยนี้่ทำบ่งทางดี เกลตัวและคนอื่นเป็นอย่างนั้นตุนารชาอะไรไม่มีนอกจากแค่ น, นักโลกหนักสงสารเท่านั้นแต่ทำประโยชน์ส่วนตัวคนไม่ได้นี่ตัวเองทำเกลืตัวเองไม่ได้แต่เสียเกีืแผลไปหาคนอื่นงงก็ไม่ได้เพราะตัวเองคงไม่มีคุณความดีอะไรเห็นนั้นเหมือเรามี เราเป็นเราเห็นเรารู้ภายในตัวของเราเราควสามารถที่จะเรลียดเกลียดแฉไปหาคนอื่นได้เพราะเรามีในใจในใจของเราเหมือนสมบัติ้นอกเาอยากจะให้ใครขอให้ไปได้เขาสมบัติมันมีอยู่แตเรรีนอะไรคนอื่นเขามาขอเ้าว่าจะเอาอะไรให้ ก็ตัวเองโสดยากอยากเตอยู่เพราะนั้นการทำบมนทำดีการเนี่ยสอนจิตใจจึงเป็นของสำคัญยิ่งเล่นแต่ทบัเพนให้ดีให้เด่นแล้วจะสรีระคนอื่นว่าสีรได้วยเเจ็บไหวก็ไม่น่าเนื้อยัดจุกใช่ไหมอย่างทำเป็นของเบาของสบาย ในเนื้อผานเนื้อขันในเนื้อกลิ่นเนื้อใจมีมากเท่าไรผมมีความเบาความะบายเท่านั้นในเหมือนวัดถูกไนอกลินมีมากหาทีเขียหาทีรักษายากหนักงมากเข่าบางจลิบางอย่างอาฮะผิเก็บสีรักษาในดี ก็อาอาทาใจได้ส่วนอาจทำทำสอนสอนองรจใจมีหน so ักเท่าไรก็ไม่เคยหนักใจหนักใจไม่ยเหลือไม่คานมีแต่าเบาความสบายเหมือนุ เป็นของที่ดีวิสเกตเป็นของเล่นคนเกียจคร้านคนกลับแฉนอนคนโง่รับษาไม่เพราะเป็นสมบัติของบัณฑิตของผู้ดีเป็น่ของคนส่วคนโง่ ิุณเจ้าเป็นคนดีแต่แร่ยังไม่ไดะรู้ต้องจเป็นผู้ดีดีเศ็เป็นกษัตร์ามารถสื่อสรายฟ้ากับปชาคนอะไรนะตามผมเป็นเป็นสุขได้แต่กิดแก่การแก่ความตายของคนอื่นไม่ได้ทางตัวเองทานก็แก่ไม่ได้ผ่านยที่เจ็นา แกตายอย่างนั้นท่านจึงออกออกพุทธพุทธมณฑลที่ออกบวชจะได้คิดในปรงกับเรื่องสมบัติธาตุถานใส่ฟ้าไปชาชนจะได้คิดปรุงในเรื่องจะดับวิเวกการหาแก่ทุกส่วนตัวเท่านั้นเพราะความแก้การตายมีวามแก้ในตายคงมีแน่ เมื่อมีสว่างมีรอม้อนมีเย็นหันมาเทียบกันอย่างพิจรงงารณาอย่างหันไปเลยตัดหินใจอกกอกปกติพบลมไมจัดแล้วกัการเป็นอยู่ทุกอย่างถึงจะอดอยากอยากจนขนาดไหนเคยเป็นกษัตริย์มาจะหาขอทานตามบ้านาาาาาาาาสาท่าดงหารการสวย แต่ก่อนที่เคยเป็นศาสนาเป็นอย่างไรต่อเมือไปที่ไหนมีคนรู้จักมั้คุณเขาเม่สาว่เป็นสาสาหรือเป็นอะไรมาจากไหนอะไรเขามาไห้ทานใจตามเดืองของคนเขอทานอย่าพระองค์ทรงเสมยพอกระทังชีวิตไปเป็นวันๆัย่างนั้ตั้งนานตั้งตา ภาวนาบำเพ็ญจ là ิ n ใจสงบตามสงบของเขาองโดสงบมาตั้งแต่เวลายังทรงเย่าอยู่โดสงบตอนแรนาวัญกรคิดได้ตอนเราบวชทรงหนวดของเขาลืกว่าาบ สองคืออุตสาด้ารามคตรุยอุตสาห์ได้บการามบุตรผูคนประชาชนขวไปถืว่าเป็นพระอรหัตอรหันต์เป็นผู้ดีดีเท่านมหุนไปศึกษาดูพอไปศึกษาดูเกิดความต่างใจและมีกาสติปัญญาเียดแหลมรกเห็น เป็นได้าบัตัตอาจารย์สอนอาจารย์บอกหมวดตรนี้เรื่องคามดีของาสาความีขออาจารย์ยงีที่จะสอนต่อไปขออาจารย์กดแแ่นี้ง พราะยังไม่พอพระไทยยังพจาาดดูเห็นว่าเรอนี้เนเรื่องของาสมาบัติเป็นเรื่องที่น่ยงั้นหทับยาวเมื่อยกเข็นออกเมื่อใดยาจะงขึ้นได้ยังมพอไทยจึงได้แสวงทความเียนเี่ยวตัวอง ที่จะเรียนะทุกสิ่งทุกอย่างรส อ, อาหารการโขล chản ทำความเพียนไปจนแหบตายสลกไปหลายหายัวเห็นว่าการทำความเพียนแบบนี้นจนใจเสียใจสู้ก็อาหารก็่างตายมันตายไป เราคจะเรีนคุณค่าและรัประโยชน์อะไรเราต้องรับทานอาหารสัรอาหารเพ่ก่อนเขาจะอาศัยร่างกายนี้เป็นสี่บำเียญจรงงาความดีพอสรรอาหารเข้าไปัรรเจ่าที่ถึงเป็นผู้จิตเชื่อมันว่าพระพระไตรกะฤทธิ์พระชากุมารออกบวดวจะเป็จนจารย์สดาจารย์ในโลออกอบวัมาก่อนรอคอย พระองค์อยู่พอมาเห็นทำทุกต่อชีวิยาก็เชื่อมากว่าท่านจะต้องเด็ดขาดก็รู้ว่าทการทำจริงทำจริงเมื่อทําไปทําไปจนสลบสลายจนจะลญเจริญตายตัวเหมือนทนงานทำดีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็เห็นว่าเปใจทายแต่รู้เลยมาครลาอาตยาหานมันจะรับที่เห็นกว่า วันที่าคือมาคมสายความเปียนเปียนมาสู่ฟองมากมากเลยนี้ไปก็เป็นโอกาสดีที่กันใดอยู่อง์เดียวแต่เ ด, เด็กี่เจนะอาจทำได้เลมีการทุกปีเหมือนมีการอุ่นวายกับไครต่างหน้าต่างกลางมัมเพลงตู ง, งาตามดีเป็ น, นเ น, นีเป็นหนึผลที่สุดในวันทีา23คุณนก็มี เย็นหกเพนวันนั้นก็ตอนเช้าขันข่าวมาสู่ไปยากของนางสุปันดาที่ไปบนบานเทวดาก็บ่ายมาต่อหาเอสารที่เอกสาความเทียนเกิดพบเืยอสียความเสียยากทามาก็อถวายคำยากแก่พระองค์แปดคม ไปทำเป็นที beach, jar, ่น l ่งอย่างน a ้เป็นของดีของดีอะไรอ่ะนั่งบนฟองยาภาวนาเรามีเสน่ห์ะมีอาณาจักรนวลที่นั่งสะดวกสบายใต้โถมไมท่านนั่งพี่ยนะหง่มหายใจสงบมาหายใจ มันปุ๋งมันฟูไปที่อื่นกำหนดเวลาออกเวลาเข้าอยู่นล้นยังไงกิดฟูปุ่ ง, งไตามยาโยงภายนอกจิตตกลงหน้ารวมได้เพราะเส่างลมมันเป็นของปัจจุบันออกรู้จักเข้าหรรู้จักหร้จะกกำหนดหออกตายเข้าเกิดอย่างนี้นนออกตกคูออ เพราะคนดูดีลมลมหมดหยดคนตายจะเป็นชาเป็นเมียนหรือเป็นใครตอตามอาศัยแต่ลมเข่าลมออกแบนี้การเกิดการตายโอเคหยดเพื่อลมแ h ่นั้นแต่ยังมีลมดูจะป่วยหนักขนาดไหนเทกัยังเมือนทว่าตาพระองค์กที่เจอนสงบลมจิตต่ลงรวมได้ยืนต้นที่ดันจุดฝน ตัวของท่านแล้ววันนั้นตั้งใจจริงจังหาให้เศาศาาหนินอะไรอัศจรรเ์ในจินตสดาการในโลกยังมีความสงสนัยในพระภัยอยู่ในอะไรการนั่ ง, งเวลานี้วันนี้เป็นเวลาสุดท้ายจะตายก็เห็นมันตายไปตั้งใจอย่างมันจะได้ รวมได้ได้ยาขึ้นมาเป็นจิตตุนิวาสานี่คือยามรู้จักผลหลังได้ใชืเชยตายเป็นอะไรอยู่ที่ไหนระลึกได้แก้มแกลทุกปุตชัดจุแต่กระโทม่ยามให้ถึงมัชชินไม่ยาม ควจิของสิ่งที่ยังงนาอีอะไรสิมันไปปอดเกิดปอดตายปอดเห็เรืง่งใจเห็นจิตเห็นเงินอีตายมันตายไปตามสมมติของโลกแต จ, จิตที่ยังง่บริสุทธิ์วุดโภยยังเ็ไปด้วยที่เหลือปัญหายังสลายสายแสงไม่หมดนี่แหละเชื่อที่ทำให้เกิด พบชาติต่อไปตำรวจเรื่องของใจเห็นเด่นลงไปอย่างนั้นในะตอนมาติดเม็ดยางเม็ญย า, า, างกลางแ่นอย่างนี้จับเหยียบจิตจิตแล้วเกิดสงสัตรควาตายสงสัตว์ควาเกิดสงสัตรอยู่ในโลกนี้หรือโลกอื่นรู้ เข้าใจหัวไปคนนั้นจะตายวันไหนจะตายด้วยโรกภครอะไรคนเกิดวันนี้อีกคนนึกัดเกิดวันนี้เท่าไรท่านเข้าใจไม่ใ่ท่านโง่หเหมือนพวกเราเข้าใจหมดความเกิดความตายทั้งสัตว์ท่านถิ่นแถิ่นเมื่อยามถียามสุดท้าย ยยาาที่เจอในเรื่องปฏิยาการชีมตายมาจากอะไรเหนื่อยๆไปไล่ลงไปไล่ลงไปจนถึงอายุชาคือจุดเดิมที่ยังอมเอาที่เหลือปัญหายอยู่ตัวนี้แหละตัวจำคัญ ที่จะมีโทษชาติเพราะเราหลงเราผีเราเยึะในจิตในใจเมือ่อพิจารณาอย่างอวิชาจิตอริชาตัวนั้นแยบทายเข้าไปแยบท่ายเข้าไป